สิขาบทที่4ว่าด้วยการส่งเพื่อนภิกษุณีกลับเรื่องภิกษุณีทุลลนันทา850สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถวาินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลลนันทยืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างพูดกระซิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้างตรอก บ้างทางสามแพร่งบ้างสรงภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพาขังตําหนิประนามโนทนาว่าฉนัยภิกษุณีทุลนันทายืนเคียงคู่กันบ้างสนทนากันบ้างพูนกระสิบข้างหูบ้างสองต่อสองกับชายในถนนบ้างตรองกันบ้างทางสามแพร่งบ้างทรงภิกษุณีผู้เป็นเพื่อนกลับไปก่อนบ้างเล่าครั้แล้ว